ก็เอ็นก็เป็นอันว่าในจิตของบุคคลทั่วไปมีกามเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกคือความใคร่ความปรารถนาต้องการพร้อมกับ สิ่งที่ใคร่สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการมีการสภาวาสะวะอาสะวะคือพบความเป็นคือเป็นเราเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่เก็บอยู่ในจิตส่วนลึกมีอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาซึ่งเป็นตูไม่รู้ อันหมายถึงว่ารู้ที่เป็นรู้หลงรู้ผิดก็เหมือนอย่างไม่รู้ก็คือไม่รู้ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นตน้นเป็นตัวอวิชชาเก็บยุนในจิตส่วนลึกนี่เป็นส่วนอาสวะ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้สับกลิ่นสับรสสับหดพะสิ่งถูกต้องทางจมูกทางลิน้นทางกายได้คิดเรื่องอะไรอะไรต่างๆทา ง, า ง, างใจ ตัวกามซึ่งเก็บอยู่ในจิตส่วน ล, ลึกนั้นจึงโผล่ขึ้นมาปรากฏเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจในรูปเสียงเป็นต้นที่ประสบพบผ่านนั้นเป็นฝ่ายราคะหรือโลภหรือว่าฝ่ายความยิน ด, ดี แต่ว่าถ้าขัดกับตามที่เก็บไว้ในจิตใจส่วนลึกนี้ก็เป็นปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอันเป็นมูลของโทสะโธทะความโกรธโทสะความประทุษร้ายใจพยาบาทความมุ่งร้ายต่างๆอันเป็นกองโทสะและภาวาสวะอาสวะคือพบ คือตัวเราของเราก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของเราในสิ่งนั้นในสิ่งนี้เอาวิชาสวาเอาวิชาคือคัวตัวความไม่รู้ก็โผล่ขึ้นเป็นความรู้ที่รู้หลงรู้ผิด คือว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่เห็นตรงกันข้ามเห็นทุกข์นั้นว่าเป็นสุขเห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานั้นว่าเป็นตัวความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนาน ความรักใครพอใจเห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจนี่เป็นตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาเป็นกามเป็นพบเป็นอวิชชา ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภัสิ่งถูกต้องในเรื่องราวที่ประสบ พ, พบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เป็นปกติจึงเป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้ที่เป็นความรู้จริง ใจว่าเป็นความรู้ความเห็นวันณารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้างไม่นารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้างงาเพลิดเผลิยินดีบ้างเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าเป็นสิ่งที่ น่าเพลิดเพลินยินดีเป็นตัวความสนุกสนานความติดใจยินดีจึงติดใจยินดีอยู่ในตันหาเหตุให้เกิดทุกข์และในตัวทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ตามที่เป็นจริงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาจะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความรู้ความเห็นดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อองค์มรรค เป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้เป็นโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านอยู่เป็นปกติดังนี้ ความรู้ความเห็นจึงเป็นอวิชชาไปหมดไม่เห็นอริยสัจที่พระพุทธเจา้าแสดงเอาไว้เห็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้เพิ่มมากขึ้นตกตะกอนลงในจิตส่วนเล็กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อาสวะจึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาดังนี้คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นเป็นอันว่าอาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้น และก็ลงไปเพิ่มเติมอวิชชาซึ่งเป็นอวิชชาสะวะอันเป็นข้อสำคัญนั้นให้มากขึ้นแต่ว่าเมื่อบารมีโผล่ขึ้นมาคือความดีที่ได้กระทาเอาไว้เก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกโผล่ขึ้นมา ดังบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกๆคนนี้ก็กล่าวได้ว่าบารมีให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ ค, คือตัวปัญญาหรือตัววิชานั่นเองซึ่งเป็นตัวความรู้ความฉลาดรู้ถูกต้องตั้งตนแต่รู้จักบาปบุญคุณชั่วประโยชน์บาปบุญ บาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังที่สามัญชนรู้อยู่เมื่อประสบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นบารมีโผล่ขึ้นมา พักได้ฟังได้สดับคำสอนของพระอริยะทั้งหลายโดยตรงคือของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้ชี้ให้รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ก็ปฏิบัติกำหนดพิจารณารู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นเป็นตัวทุกข์คืออ น, นิจจะไม่เที่ยงเกิดดับเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่บังคับไม่ได้ คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนมันช่ตัวเราของเรามองเห็นตัณหาคือความดิ้นรนทียานอยากของใจว่าเป็นตัวสมุทยัยเห็นความดับตัณหาว่าเป็นตัวดับทุกข์ เห็นมักมีองค์แปดย่นลงในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความลับทุกขังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเพิ่มวิชาผ่อนคลายอวิชาให้น้อยลงวิชาคือความรู้ก็ลงไปเพิ่มบารมีส่วนดีในจิตส่วนลึกนี้ให้มากขึ้น ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัน้จิกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจ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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสาริบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับภิกษุทั้งหลาย ได้กลาบเรียนถามท่านถึงอธิบายในข้อสมาธิเมื่อท่านได้ตอบไปตอนหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้กลับ เรียนถามปริยายคือทางอธิบายอย่างอื่นต่อไปอีกซึ่งท่านก็ตอบไปโดยลำดับตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นโดยยกเอา รรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหล่านี้มาแสดงอธิบายทีละข้อจำแนกออกเป็นสี่ตามแนวแห่งอริยสัจทั้งสี่ทุกข้อจึงเท่ากับว่า ประเทศอธิบายนี้ได้แสดงอธิบายอาริยศัสต์สหลายไนยะหลายปริยายอย่างละเอียดไปตาม ข้อธรรมะที่เนื่องกันเป็นสายแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยบังเกิดขึ้นโดยจับขั้งปลายคือชรามรณะ ขึ้นมาจนถึงอวิชชาอาสวะและก็ได้แสดงอธิบายอาวิชชาอาสวะนี้ว่าต่างเป็นปัจจัยของกนและกันพระพุธธทธอธิบาย ในปฏิสมุในปฏิจจสมุบาทนี้จบลงแค่เอาวิชาเป็นส่วนมากท่านพระสารีบุตรได้จับเอาพระพุทธทธิบายหรือพระ ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในที่อื่นมาเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งคืออาสวะอวิชชาเกิดเพราะอาสวะก็จบลงแค่อาสวะ แต่ว่าอาศสวะเกิดเพราะอะไรก็ต้องกลับมาหาอาวิชชาอีกว่าเกิดเพราะอาวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้วว่าอาวิชชาเกิดเพราะ อาสะวะอย่างไรและอาสะวะก็เกิดเพราะอาวิชชาอย่างไรจึงมาถึงข้อที่จะอธิบายต่อไปตามพระเถราราิบายว่าเพราะอาวิชชาเกิดจึงเกิดสังขาร และคำว่าสังขารนั้นก็ได้อธิบายในที่นี้แล้วว่าได้แก่สังขารสามคือกายสังขารได้แก่ลมอัดซาสะปัดซาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกวจีสังขาร ได้แก่วิตกวิจารความฝึกความตรองอิตธสังขารได้แก่สัญญาเวทนาในวันนี้จะได้อธิบาย ว่าอภิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือว่าเพราะอภิชาเกิดสังขารจึงเกิดอย่างไรจึงจะต้องอธิบายคำว่าสังขารก่อนคำว่าสังขารนั้นภายในหมดธรรมะ หลายหมวดเช่นสังขารสองคือสังขารที่มีใจครองหรือมีผูกครองเรียกว่าอุ ป, ปาทินกะสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครองหรือไม่มีผู้ครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารสังขารในเบญจขัน์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตซึ่งหมายถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิด จจิตใสังขารที่แสดงไว้ในโลกสามคือโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้เกบพื้นปิพพนี้สังขารและโลกโลกคือสังขาร อันได้แก่ทุกๆสิ่งที่ปรงแต่งขึ้นจากพื้นผิวนี้ตลอดจนถึงเป็นอุปาทินากาสังขารอุปาทินากาสังขารดังกล่าวสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โดยตรงก็หมายถึง จิตใจซึ่งคลองสังขารอยู่ซึ่งยังมีความคล้องความติดสังขารสาคือกายจะสังขารมจีสังขารยิตะสังขารที่ท่านพระสาริบุตรได้ ยกมาอธิบายในข้อว่าสังขารรีและสังขารสามอีกหมวดหนึ่งปุญญาพิสังขารปรุงแต่งบุญก็คือทาบุญเอาปุญญาพิสังขารปรุงแต่ง กรรมที่ไม่ใช่บุญคือบาปก็คือทำบาปอันเนชาวิสังขารปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหวหมายถึงสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแนบ่น สำหรับในข้อสังขารที่ว่าเพราะเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารหรือเพราะเอาวิชาเกิดสังขารเกิดนี่ก็มีอีอธิบายถึงสังขารสบุปญญาภิสังขารปัญญาพิสังขารอเนชาพิสังขาร ในที่บางแห่งด้วยเหมือนกันยิงรวมเข้าได้ว่าท่านยกเอาสังขารสามทั้งสองหมวดนี้มาอธิบายสังขารในที่นี้แต่ในเบื้องต้นนี้จะได้อธิบายเป็นกลางๆ ก, ก่อน ควาสังขารก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งทุกๆุกสิ่งทุกๆุกอย่างที่เป็นไปทางจิตก็ตามเป็นไปทางกายหรือเป็นไปอยู่ในโล ก, กาธาตุทั้งสิ้น ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่เป็นอย่างหยาบทั้งที่เป็นอย่างละเอียดล้นเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิน้นถ้าหากว่าไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่ง หรือไม่มีการผสมปรุงแต่งก็จะไม่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งสิ้นจะไม่ปรากฏสัตว์บุคคลจะไม่ปรากฏต้นไม้ภูเขาจะไม่ปรากฏ โลกธาตุนี้ไม่ปรากฏพื้นบีพบนี้ไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนไม่ปรากฏหนาวร้อนลมฝนไม่ปรากฏดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรทั้งสิ้น แต่ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดังกล่าวตลอดจนถึงสัตบุคคลดังเราทั้งหลายทุกๆคนที่มีกายมีใจ เพราะมีการผสมปรุงแต่งจึงมีสิ่งผสมปรุงแต่งปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นดังเช่นตัวอย่างที่ยกมากลับ <c oughs> และการผสมปรุงแต่งนี่ ย, ย่อมมีหยุดตลอดเวลาไม่มีหยุดหยุดทีหนึ่งก็คือว่าแตกสลายหรือว่าดับไปทีหนึ่งเกิดก็คือผสมปรุงแต่งขึ้นใหม่ แล้วก็ดับในระหว่างเกิดและดับซึ่งเรียกว่าตั้งอยู่ <c oughs> ก็ไม่หยุดผสมปรุงแต่งไม่หยุดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ดังจะบึงเห็นได้ว่าร่างกายของทุกๆคนนี่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งต้องมีความปรุงแต่ง ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดดังเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดแต่อันที่จริงนั้น ไม่ใช่หมายความว่าสืบเนื่องกันเป็นอันเดียวเพราะว่ามีเกิดมีดับต่อเนื่องกันไปคือหมายความว่าเกิดดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดติดต่อกันไปอันเรียกว่าสันติลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกนี่เป็นตัวอย่างที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้คือเอาเป็นว่าให้ใจเข้านี่เป็น Good.